ฉันจึงขอให้ระบายลมออกยาวและหายใจเข้ายาวเป็นระยะๆเพียงจับสังเกตด้วยตาเปล่า ว, ว่าลมหายใจใครกําลังเข้าหรือออกกําลังยาวหรือสั้นเพียงสักสองสามระลอกลมแค่นั้นเราก็จะเริ่มเห็นความรู้สึกของเขาแล้วว่ากําลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กําลังหดหู่หรือฟุ้งซ่านคลื่นจิตที่มาประกอบพร้อมอยู่กับแต่ละลมหายใจ